เจริญสุขญาติโยมสาธุชนผู้ฟังรายการทุกท่านพบกับรายการธรรมสู่สันติอีกเช่นเคยเป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้ซึ่งวันนี้อาตมาภาพก็จะได้นำการตอบปัญหาธรรมของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยะมังคโล เจ้าวาดวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามมาเสนอแด่ท่านผู้ฟังซึ่งท่านได้ตอบปัญหาธรรมะต่างๆให้แก่ข้าราชการตำรวจกองบัญชาการการศึกษาที่เข้าไปศึกษาอบรมและปฏิบัติธรรมที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามได้รับฟังซึ่งมีหลายประเด็นที่น่าสนใจจึงขอเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายมาสดับรับฟังข้อคิดและหลักธรรมจากหลวงพ่อพระมาหาเสริมชัยชยมั ง, งคลโ โดยพร้อมกันนับวันนี้คำถามว่าวัดหลวงพ่อสดกับวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีเกี่ยวข้องกันอย่างไรโดยตรงไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยเป็นคนละคณะบริหารคนละคณะนะคนละณโยบายแต่ว่าโดยอ้อม เป็นสิทธิ์วัดหลวงพ่อวัดปากน้ำเป็นสิทธิ์หลวงพ่อวัดปากน้ำเหมือนกันหรือว่าเป็นสิทธิ์ออกจากวัดปากน้ำภาษีเจริญเหมือนกันนะของท่านท่านก็ไปตั้งวัดของท่านเหมือนกับพ่อที่มีครอบครัวใหญ่ ลูกคนหนึ่งก็ไปตั้งบริษัทโน้นลูกคนหนึ่งไปทำกิจนี้อย่างนี้ทีน่นี่รายละเอียดของท่านอาตมาก็ไม่ทราบได้ก็พอทราบเข้าๆเราๆแต่คิดว่าก็คงเหมือนกับโยมโยมบางท่านก็เคยเข้าไปแล้วก็ทราบเหมือนเหมือนกับที่อาตมาทราบเพราะอาตมาไม่่อยได้เข้าไป ก็เลยทราบแต่เฉพาะวัดของตัวก็จเจริญพรว่าวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามนี่เป็นวัดเมื่อปีพุทธศักราช2534ตั้งขึ้นภายในเขตพื้นที่72ไร่ครึ่งที่เห็นนี่มีน้มล้อมรอบ อยู่ภายในเขตพื้นที่ของสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด227ไร่ก็ได้แบ่งจำเพาะส่วนที่จะขอตั้งเป็นวัด72ไร่ครึ่งที่เหลือ150กว่าไร่นั้นก็ยังเป็นพื้นที่ของสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกาย ซึ่งได้เปิดการอบรมพระกรรมฐานมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2525ได้มีการตั้งเป็นมูลนิธิพุทธภาวนาวิชาธรรมกายเมื่อปีพุทธศักราช2524เพื่อรับโอนที่ดินเบื้องต้น72ไร่ครึ่งที่นี่และเพื่อจัดการดังด้านการเงินและทรัพย์สินของสถาบัน และก็เริ่มเปิดการอบรมมาตั้งแต่ปี2525 25. เปิดอบรมพระกรรมฐานปีละสองครั้งคือรุ่นกลางปีครั้งแรกนั่นจริงๆเปิดเดือนกุมภาพันธ์ปลายเดือนกุมภาพันธ์มาถึงต้นเดือนมีนาคมแล้วต่อมาก็เปิดเดือนธันวาคม 1-15 แล้วหลังจากนั้นก็ปรับเปิดปีละสองครั้งรุ่นกลางปีหนึ่งถึิาพฤษภารุ่นปลายปีหนึ่งหธันวามาตลอดตั้งแต่พื้นที่ดิน72ไร่ครึ่งนี่ไม่มีต้นไม้แม้แต่ต้นเดียวไปมีต้นตะขบ ไม่ใช่ต้นกระถินอะไรนะไอ้ที่มันมีน้ำาอะ่ะกระถินเทศอะรเรื่อยๆมะขามเทศอยู่ต้นหนึ่งกับสะเดาต้นหนึ่งอยู่ที่จอมปลวกตรงนั้นเป็นที่คนอื่นเขาต่อมาได้พัฒนาค่อยๆซื้อที่ดินมูลนิธิค่อยๆซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นเป็นสองยี่บเจ็ดไร่ และเมื่อขอตั้งเป็นวัดก็เลยจัดสรรที่ดิน72ไร่ครึ่งทำเป็นวัดดังที่เห็นอยู่นี่สถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายนั้นมีพระเดชพระคุณเจ้าประคุณหลวงพ่อสมเด็จพระพุท ธ, ธาจารย์อธิบดีสงฆ์วัดสเกตราชวรมหาวิหารกรรมการมหาเถระสมาคม เจ้าคณะใหญ่หุตะวันออกเป็นประธานพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณหลวงพ่อสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์อธิบดีสงฆ์วัดปากน้ําภาษีเจริญกรรมการมหาเถระสมาคมและเจ้าคณะใหญ่หุนเหนือเป็นรองประธานและก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาโกศลเถระรองเจ้าอาวาสและพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสนาธุระ วัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นที่ปรึกษาและอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสนาเป็นครูอาจารย์ของอัตมาเดี๋ยวนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่หมดทั้งสามองค์นี้แหละและทั้งสามท่านนี้ก็ดูแลกิจกรรมการบริหารงานของสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกาย ควบคู่กันกับวัดดูแลวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามมาตลอดจนกระทั่งปัจจุบันนี้คือที่มาที่ไปของวัดนี้ก็ขอเจริญพรให้ทราบก็จึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารและคณะบุคคลของวัดพระธรรมกาย ที่จังหวัดประทุมธานีทีนี้ข้อหกถอยหลังขึ้นไปนะมักมีข่าวไม่ดีเกี่ยวกับพระดังๆตามหน้าหนังสือพิมพ์ควรทำความเข้าใจอย่างไรนี่แหละเป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายพึงเข้าใจอยากให้ทราบหนักหนาเจ้าข้อนี้ ให้ทราบได้เลยว่าข่าวพระที่ไม่ดีเนี่ยให้ท่านดูตามความเป็นจริง เ, เอาปีหนึ่งหนึ่งมีกี่รายถามเท่านี้มีกี่รายจริงอยู่บางรายอาจจะดังก็รู้ดังด้วยความดี หรือดังด้วยความไม่ดีหรือว่ามีความดีอยู่ข้างนอกมีความไม่ดีอยู่ข้างในก็นแล้วแต่เธอข้อนั้นยกไว้ก่อนแต่จะกล่าวย่อๆแต่เพียงว่าพระที่มีข่าวไม่ดีมีกี่รายนี่ก่อนอื่นให้ท่านพิจารณาดูต่อจำนวนพระ ซึ่งมีวัดเป็นหมื่นวัดประมาณร่วมสองหมื่นถ้าจำไม่ผิดนะพระอยู่นอกพรรษาเป็นแสนในพรรษาก็คงจะตกสองแสนกว่านั่นแหละให้ท่านพึงพิจารณาอย่างนี้และพิจารณาต่อไปอีกว่า พระที่ดีๆมีไหมท่านต้องศึกษาดูอาตมาจะตอบว่ามีแล้วมีมากด้วยแต่ไม่เป็นข่าวน้อยนักที่หนังสือพิมพ์จะเอาไปเขียนเชียร์เขียนยกย่องชมเชยสรรเสริญโอกาสเป็นอย่างนั้นมีน้อยเหลือเกินทำความดีไปเถอะ เท่าไรเท่าไรหนังสือพิมพ์ไม่เอาไปลงก็มีบ้างนะที่ลงนะไม่ใช่ไม่มีแต่น้อยเอาง่ายง่ายวัดหลวงพ่อสดในสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายนี่แหละก็ไม่ถึงกับกล้าอวดอ้างว่าเป็นวัดที่ดีวิเศษแต่ว่า ก็คิดว่าท่านกราบไหว้ได้สนิทใจนี่อาตมาพูดเท่านี้ถ้าโยมอยากจะดูระเบียบวินัยของพระวัดนี้เปิดดูหนังสือเล่มแดงประวัติวัดนั่นจะมีระเบียบการปฏิบัติของพระภิกษุสามเณรที่นี่มีกติกาสง์ พอสมควรที่จะคุ้มครองพระเนรของเราให้ตั้งใจศึกษาและปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมมีทั้งภาคปริยัติธรรมและปฏิบัติพระสัตว์ธรรมควบคู่กันไปไม่มียกเว้นและตั้งใจเสียสละทําประโยชน์แก่พระาศาสนาท่านมาเพียงสองสมวันนี่คิดว่าคงดูได้ ถ้ายังไม่เห็นชัดมาใหม่มาอยู่อีกมาดูอีกให้มันแน่ๆแล้วเอาละไม่ได้ดีเลิศไม่ได้ประเสริฐสีที่สุดแต่คิดว่าพอกราบไหว้ได้สนิทใจวัดระดับนี้มีไม่น้อยถ้าว่าจะถือว่าดีวิเศษวิโส ก็ต้องวัดที่มีพระอริยเจ้าเต็มไปหมดก็อาจจะหาได้ยากหน่อยแต่ว่าพระอริยเจ้าใช่ว่าจะไม่มีมีได้ทุกผลทุกแห่งเพราะฉะนั้นอันนี้อาตมากล่าวได้เลยว่าข้อหนึ่ง พระที่ปฏิบัติไม่ดีก็มีแต่ไม่ได้มากจนเป็นที่ปริวิตกอะไรกันหนักหนาหรอกและข้อสองอัตมาจะกล่าวว่าพระเจ้าคณะปกครองทุกระดับเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่คนไม่เข้าใจและมักจะโจมตีเนี่ย ผู้โจมตีนี่อาจจะเป็นได้สองอย่างอย่างหนึ่งไม่รู้ความจริงแล้วคาดคะเนเอาอย่างหนึ่งอาจจะเป็นศัตรูพระพุทธศาสนากระทำการย่ำยีพระพุทธศาสนามีควันหน่อยหนึ่งก็เตีใหมมันเยอะๆมีเรื่องร้ายนิดหน่อยก็ตีให้มันหนักๆเข้าไปคนรู้เท่าไม่ถึงการเสพข่าวเช่นนั้น ตื่นเต้นไปตามกลายเป็นกระแสโดยไม่ได้พิจารณาว่าแท้ที่จริงเนี่ยมีกี่เปอร์เซนต์และคนไม่ดีในแต่ละสังคมทุกชาติทุกศาสนามีทั้งนั้นทุกสังคมทุกฐานะทุกอาชีพแม้แต่ในครอบครัวหนึ่งหนึ่งก็มีคนไม่ดีและมีคนดี มากน้อยต่างกันแต่ก็เฉลี่ยเฉลี่ยแล้วก็มีทั้งคนดีและไม่ดีในอัตราที่สูงกว่าที่ว่าพระไม่ดีมากมายนักโยมฟังเสียงที่ไม่ดีเกี่ยวกับพระไม่ดีในจำนวนพระเป็นแสนเนนอีกต่างหาก กับโยมฟังข่าวข้าราชการไม่ดีทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำอันไหนมีอัตราสูงกว่ากันไปคิดดูสิแต่แน่ละ่ะในประการนี้โดยความรู้สึก ทั่วไปว่าพระเป็นของสูงสุดในพระพุทธศาสนาของเราในขณะนี้ที่พระพุทธเจ้ามิได้ทรงพระชนชีพอยู่แต่ก็มีพระธรรมวินัยอยู่ปฏิบัติ ด, ดีกันอยู่มากและพระมหาเถระตั้งแต่มหาเถระสมาคมลงมาถึงเจ้าคณะหนเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัดอำเภอตำบลมาจนถึงเจ้าอาวาสท่านก็ตั้งใจดูแลกันอย่างดีที่สุดอบรมกันอย่างดีที่สุดเต็มกําลังสติปัญญาความสามารถของท่านเหมือนกับพ่อแม่เราในครอบครัวเราดุดาว่ากล่าวลูกสอนลูกตามระดับภูมิธรรมระดับสติปัญญาของท่าน แต่แม้กระนั้นก็มีลูกดีลูกเลวถ้าว่าจะด่าพระผู้ใหญ่ก็จงด่าพ่อแม่ของของคนน่ทำไมไม่ดูลูกให้มันดีหมดหรือไม่ก็ด่านายกหรือด่าหัวหน้าพักการเมืองด่าหัวหน้าหน่วยราชการว่าทำไมไม่ดูแลลูกน้องของตนให้มันดีปลอดศูนย์ไปเลยไม่มีอะไรเสียหายนี่แหละเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเราลืมข้อนี้อัตมาเป็นนักวิจัยโดยอาชีพเพราะฉะนั้นพูดต้องเอาอัตราส่วนมาพูดกันว่าอัตราส่วนของพระที่มีข่าวไม่ดีและอาจจะมีไม่ดีแต่ไม่มีข่าวอีกอา้าวบวกกันเข้ามาแต่ว่าอัตราส่วนก็เชื่อแน่ว่าไม่เกินโยม ที่ไม่ดีทุกอาชีพเพราะคนไม่ดีทุกอาชีพทุกฐานะมากเหลือเกินแต่เราเห็นเป็นของธรรมดาถึงจะได้ยินข่าวก็ธรรมดาไม่รู้สึกอะไรมากนะแต่พอพระแล้วโอ้โหเสื่อมศรัทธาวิกฤตศรัทธาใช้คำพูดอะไรต่างๆ เป็นเครื่องมือของศัตรูพระพุทธศาสนาที่เขาวางแผนจะย่ำยีพระพุทธศาสนากระแสนี้แหละกลายเป็นเครื่องมือของเขาและมันมีจริงๆด้วยว่าเขาวางแผนย่ำยีพระพุทธศาสนาไม่ใช่เราไม่รู้รู้แต่เราทำอะไรไม่ได้เพราะพระไม่มีอํานาจทางด้านการบริหารการปกครองประเทศชาติ ซึ่งแตกต่างจากประเทศบางประเทศที่เขาเคร่งครัดในพระพุทธศาสนา mm hmm. เช่นภูฐานภูฐานนี่เขาเลือกพระดีๆเข้าไปเป็นสมาชิกรัฐสภาด้วย mm hmm. กฎหมายอะไรไ mm hmm. ตรออกมาต่างๆหรือเวลามีการโต้แยง้งหรือมีการพิจารณาอะไรกันพระที่มีความรู้ความสามารถ mm hmm. เขาคัดเลือกไปเป็นสมาชิกรัฐสภาด้วยทาหน้าที่ เป็นปากเป็นเสียงอธิบายแทนทั้งพระและทั้งญาติโยมด้วยแต่เมืองไทยเรายังไม่มีและก็คิดว่าคงมีไม่ได้นี่แหละอาตมาใช่โยมรู้เมื่อโยมคิดอย่างนี้เหมือนกับอาตมาสอนโยมนะ่ยที่จะพิจารณาสภาวะธรรมโยมใจบริสุทธิ์ผ่องใสสงบเงียบๆลองดูสิถามตัวเองว่าจํานวนพระที่ว่าไม่ดีเนะี่ย มีกี่เปอร์เซนต์เมื่อเทียบกับจำนวนประชากรทั้งหมดถ้าหลักสถิติเขาเรียกว่าเทียบกับจำนวนประชากรทั้งหมดฝรั่งเรียก population หรือ universe นี่ในภาษาสถิติและวิจัยและเมื่อเทียบกับบุคคลภายนอกนะ่อันไหนมันเร็วมากเร็วน้อย ในอัตราที่แตกต่างกันเท่าไหร่อันนี้แหละที่อาตมาฝากและฝากไว้อีกข้อหนึ่งให้โยมพิจารณาเห็นใจเถอะพระก็ลูกชาวบ้านเหมือนโยมอย่างเงี้ยเหมือนโยมไม่ได้ว่าเอาพระอริยเจ้ามาบวชที่ไหนเล่าลูกชาวบ้านเหมือนโยมนี่แหละพี่น้องโยมนั่นแหละ มาบวชบวชเพื่ออะไรเพื่อกลอมกลาวให้มันดีขึ้นก็แปลว่ามีพื้นฐานที่ไม่ใช่ว่าดีหมดจดมานะจะมากลอมกลาวให้ดีขึ้นพอกลอมกลาวแล้วนี่ท่านนั่งนี่ไม่เรียบร้อยท่านปฏิบัติเรียบร้อยเห็นไหมละ่ะและแถมนะอาตมาจะบอกโยมอาจจะไม่รู้หัวอกของเจ้าอาวาสและพระอุปัชฌายอย่างอาตมานี่ คนมาฝากนี่ลูกที่แย่ที่สุดนั่นแหละเอามาฝากมากที่สุดไอ้ที่ช่วยตัวเองไม่ได้และเท่าที่มันวุ่นวายที่สุดนั่นแหละหัวดื้อหัวแข็งงี่เง่าที่สุดส่วนมากจะเอามาฝากแต่ที่นี่เราไม่รับจะบอกซะ ก, ก่อนคือต้องคัดว่าต้องได้มาตรฐาน มาแล้วตั้งใจมาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาเรียนมาปฏิบัติไม่ใช่เอาคนที่สติสตางไม่ได้เรื่องติดยาเสพติดหรืออะไรอะไรที่ไม่ดีมามายัดเยียดให้มาเยอะแต่วัดนี้ขอบอกโยมบอกพ่อแม่ของเขาบอกโยมขอวัดนี้สักวัดหนึ่งเถอะนะ ว่าอย่าเอาคนติดยาเสพติดมาเลยเพราะปัญหามันเยอะซึ่งอาตมาจะไม่เล่าปัญหาให้ฟังแล้วก็โยมถ้าเอาไอ้ชนิดอย่างนี้มาให้อาตมาเนี่ยนะโยมไม่สงสารอาตมาบ้างเลอโยมเองยังเอาไม่อยู่อะอาตมาจะไปมีอำนาจอะไรจะไปเอาคนระดับนั้นอยู่ เพราะฉะนั้นเวลาพระมาบวชนี่เราคัดนะให้อยู่ดูอุปนิสัยใจคอกันก่อนถ้าสงสัยก็อยู่นานหน่อยถ้าไม่สงสัยสองสามวันก็ได้เจ็ดวันก็ได้สิบห้าวันก็ได้ถ้าสงสัยก็เป็นเดือนพะเหมาะบนเดือนก็ไม่ได้บวชเพราะบางทีพ่อแม่เอามายัดเยียดจริงๆ นี่ก็ขอหเห็นใจวัดด้วยไอ้ลูกดีๆเก่งๆส่งไปเรียนมดอยากให้มันมีเมียปะเหมาะ ก, ก็อยากให้ว่ามันโด่งดังดีไปนี่มันเป็นอย่างนี้แต่ว่าวัดนี้สกัดกั้นอย่างนั้นขอทโยมวัดนี้ขอให้เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นพระของเราเป็นพระที่คัดที่มาด้วยใจตั้งใจมาปฏิบัติ แล้วก็นั่นแหละมาศึกษามาปฏิบัติให้ดีแม้ชั่วคราวหนึ่งพันษาหรือจะอยู่นานต่อไปถ้าจะอยู่นานต่อไปดูกันหนึ่งพันษาถ้าเรียบร้อยดีเอาละไม่ว่ากันแล้วก็สนับสนุนด้วยเพราะท่านดีแล้วนี่ทีนี้ส่วนวัดอื่นๆนะโยมก็มีบางทีเขาก็เห็นใจกันเช่นบางวัดที่ ต้องอาศัยญาติโยมในพื้นที่มากถ้าเขาไม่ใส่บาทแล้วอดเรื่องนี้จริงโยมเอ้ยนี่ต้องเห็นใจท่านนะหลวงพ่อหลวงตาน่ะบางทีพ่อก็เป็นกำนันพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านพ่อเป็นอะไรที่มาสนับสนุนเกื้อกูลวัดไอ้ลูกคนนี้มันเหลือขอเอาไม่อยู่ฝากหน่อยนะพูดไม่ออก ต้องรับเหมือนกันติดยาก็มีมากด้วยบางทีพ่อแม่ก็มาบอกไม่เป็นไรแล้วมันเลิกมาแล้วเลิกมาแล้วอลองถามจะเลิกมานานเท่าไหร่บางคนซื่อหน่อยก็บอกเพิ่งเลิกมาสองวันครับบอกแมอย่างนี้มันก็มากไปหน่อยบางคนก็บอกสี่เดือนแล้วเออค่อยอยังชั่ว มันเป็นอย่างนี้โยมเพราะฉะนั้นวัดเป็นที่พึ่งนะที่พูดทั้งหมดนี่วัดเป็นที่พึ่งของพ่อแม่ไม่ใช่เป็นที่พึ่งของลูกเนะแม่ที่เอาลูกไม่อยู่นี่วัดอื่นๆนะบางวัดนะท่านต้องทำอย่างนั้นตำหนิท่านก็ไม่ได้ต้องเห็นใจท่านนเยี่ยมจริงๆนะท่านก็ยอมรับ แต่เฉพาะวัดนี้ขอขอเอาที่มีสติสัมปชัญญะดีๆมีความรู้พอเป็นมาตรฐานถึงไม่โด่งดังนะักเอากันว่าพอเรียนนักธรรมเรียนบาลีได้ขอให้มีจิตใจดีตั้งใจดีเอาละเราสนับสนุนกันข้อนี้นี่ในวัดนี้เราทำอย่างนี้แต่วัดอื่นๆที่เห็นเห็นใจท่านเถอ เพราะฉะนั้นในกรณีเช่นว่านั้นมีคนไม่ดีเข้าไปบวชไม่ดีจริงๆนั่นอย่างหนึง่งกลอมกล้าวยังไงก็ไม่เอาเหมือนน้ารถหัวต่อและตอตโก้ด้วยขัดยังไงมันก็ไม่ขาวนั่นอย่างหนึง่งหรือพวกปลอมนี่โยมเรื่องนี่ระยะยาวเลยนะ พวกปลอมมาจากศาสนาอื่นที่ต้องการมาบ่นทำลายก็มีเหมือนกันนี่ไม่ใช่ไม่มีมีแต่มันไม่มีหลักฐานเรารู้ได้ด้วยพฤติกรรมสาธุชนก็กำลังรับฟังการตอบปัญหาธรรมของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชัยยมังคโลโในเรื่องทำไมพระจึงมีข่าวที่ไม่ค่อยจะดี ออกมาสู่สาธารณชนเสมอๆซึ่งก็หลวงพ่อก็กำลังอธิบายกำลังเข้มข้นเลยทีเดียวแต่เวลาในวันนี้หมดลงเพียงเท่านี้ขอเชิญท่านสาธุชนโปรดติดตามได้ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้รายการธรรมะสุสันติขอลาท่านสาธุชนไปก่อนขอความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทินเจริญพร Thank you.